สมเด็จสิ้นสังฆราชนะพระดีที่สุดนะดีทั้งปริยัติปริยัติก็เก่งที่สุดถึงเปลียนก้าปฏิบัติก็เก่งที่สุดะไม่เป็นรองใครเวลาท่านเหล่านี้จะมรณภาพนั้นสวยงาม พวกเราก็มีหน้าที่รักษาซึบทอดศาสนาไว้นะท่านไม่อยู่เป็นเสาหลักคำ้ำแล้วท่านก็พยายามนะพยายามมากเกินหมดกำลังรันท้ายเราต้องทำงานต่อศาสนาเราไม่ไม่แข็งแรงศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ ตกเป็นฝ่ายรับตลอดที่ป่านมาค่อยๆหมดไปเรื่อยๆตอนนี้ที่เป็นพูดจริงๆเหลืออยู่นิดเดียวเหลือเมืองไทยเมืองพมา่าลังกาที่อื่นก็มีแต่เปลือกๆในเมืองไทยมันนับว่ามีชาวพูเจ็ดสิบล้านนับไม่ได้ มีจริงๆก็แสนคนได้ทุกป่าเห็นไม่แน่เลยพม่าตอนนี้ก็พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คงต่อไปก็เดินรอยเดียวกับเมืองไทยประเทศเล็กๆพวกเนี้เมืองไทยเมืองพ ม, ม่าเมืองลังกาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในสังคมโลกนชาวพุทธเรานี้เป็นคนกลุ่มน้อยอย่างยิ่งเลย เมื่อก่อนเราบอกชาวพุทธนี่มีเยอะที่สุดนับจีนนับญี่ปุ่นนับในญี่ปุ่นไม่มีศาสนาชาวพุทธในเมืองจีนก็ไม่ค่อยมีหรอกศา ส, สนาพุทธในเมืองจีนเป็นเรื่องธุรกิจเป็นบริษัทหางเงินงั้นจริงๆแล้วคนที่จะสืบทอดศาสนาจริงๆนั้นน้อยเต็มทีเลยพวกเรามีภารกิจสําคัญนะ เรียนให้รู้หลักปฏิบัติให้แม่นลงมือปฏิบัตินะจะให้หมดสงสัยในพระศาสนาตัวรักษาสืบทอดให้เต็มที่ไม่มีใครเข้ามารักษาศา ส, สนาพูดให้เราองนะเราต้องรักษากันเองนะการวงการเมืองเลยเขาไม่ได้สนใจหรอกขราชการไม่ได้มาสนใจอะไรจริง ไม่เห็นคุณค่านะไม่เห็นประโยชน์จริงจะว่าเขาข้างเดียวก็ไม่ได้คนที่รู้คุณค่าไม่ได้แสดงให้เขารู้ว่ามีคุณค่าอย่างไรเพราะพวกเราต้องดีให้เขาเห็นนะมีความสุขให้เขาเห็นให้ได้พยายามภาวนาเขาไม่มีสติพระพุทธเจ้าสอนนะว่า ทุกให้รู้เนี่ยอะไรเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์นะให้รู้สิ่งที่ควรจเจริญอะไรบอกมารคให้ควรจเจริญบางทีท่านจะสอนสิ่งที่ควรจเจริญด้วยปัญญาณยิ่งคือสมถะอะไรไม่ปัสนนะในในขั้นการฝึกจิตนะถ้ามาร ก, ก็มีเรื่องศีลเข้าไปด้วยเพราพวกเรามีหน้าที่นะรักษาศีลห้าไว้ ฝึกสมถะละวิปั ส, สนาให้ถูกต้องคนที่สนใจศาสนาพุทธจริงๆแนละ้ เ, เดินอยู่ในองค์มรรคจริงๆนะยิ่งน้อยหนักเขาอีกมีพุทธชื่อเนี่ยเยอะแยะหลายสิบล้านสนใจศาสนาจริงๆมีไม่มากอะ่ะที่สนใจลงมือปฏิบัติจริงนะแล้วปฏิบัติถูกเนะี่ยยิ่งนับตัวได้เลยน้อยเต็มทีเลย ไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนนะ ว, ว่าสมถะนั้นเป็นแบบไหนมิปั ส, สนาเป็นแบบไหนพวกเราต้องเรียนให้ชัดเจนนะก่อนที่จะขึ้นไปถึงวิปั ส, สนาเนี่ยหรือจะทำสมถะเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องจิตศิกษาให้แม่นเราต้องรู้ว่าจิตแบบไหนนะเดินจิตแบบไหนได้สมาธิชนิดสงบ เดินจิตแบบไหนได้สมาธิที่เอาไว้เดินปัญญานะไม่ต้องทําให้เป็นพอถึงขั้นเดินปัญญาเนะี่ยดำเนินจิตแบบไหนที่จะเดินปัญญาได้เพราะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องงานพัฒนาจิตทั้งนั้นเลยพัฒนาคุณภาพของจิตจนเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกิดสัมมาทิฐินั่นเองที่จริงเราจะบอกว่าชาวพุทธมีน้อยนะนก็ถูกเหมือนกัน คนที่จะเป็นชาวพุทธต้องมีสมาธิแล้วคนที่มีสมาธิิแท้ๆคือพระโสดาบันขึ้นไปพวกเราเจอมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดนะเจ้าความวิป ร, รารอยู่ตลอดเริ่มจากสัญญาวิป ร, รารเราชอบหมายรู้อะไรผิดๆอย่างเราหมายรู้ว่านี่เป็นตัวเรานี่สัญญาวิป ร, รารหมายรู้ผิดก็เกิดจิ ต, ต ว, วิป ร, รารถ์คือคิดผิดๆ เคยคิดผิดๆแล้วเกิดทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดควาจะเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆได้เป็นชาพุทธแท้ๆได้นะพระโสดาบันนี่พวกเราส่วนใหญ่ยังไม่ถึงต้องเรียนว่าทำใดที่จะพาเราให้เป็นพระโสดาบันได้เราดูคุณลักษณะของพระโสดาบัน โสต บ, บัญญัตนี้มีศีลบริบูรณ์พวกเราพยายามรักษาศีลเอาไว้ะพระโสต บ, บัญัตมีความเห็นถูกความเห็นถูกเกิดจากการการเห็นถูกต้องจะเกิดความเห็นถูกต้องเห็นให้ถูกอย่าไปคิดเอาได้คิดเอาเราก็คิดด้วยความมีปราสของเราคดิดผิดอีกต้องเห็นเอา เห็นอะไรก็เห so ็นส so so ิ่งที trong, ่พระเจ้าสอนให้เห็นกอเห็นทุกข์เห็นรูปเห็นนามดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นเราจะเห็นรูปเป็นนามตรงตามความจริงได้เราต้องเดินอยู่ในทางสายกลางจิตต้องเดินอยู่ในทางสายกลางในสุดตรงไม่ข้างตามใจกิเลส สุดต่งตามใจกิเลสก็คือสุดต่งวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสสุดต่งไปหลงทางใจแลก็ไม่สุดต่งในข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจดัดแปลงกายดัดแปลงใจไม่ต้องดัดแปลงมันดูอย่างที่มันเป็นให้ได้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกดูอย่างที่เขาเป็นให้ได้ วิธีดูนะถ้ามีจิตตั้งมั่นก่อนเรานเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ดีจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่เป็นข้างสุดตรงข้างหลงลจิตเป็นผู้เพ่งนี่สุดตรงข้างบังคับตัวเองอัตตาคิลมาฐานุโยคจิตจะเดินในทางสายกลางได้นะไม่เผลอไม่เพ่งนะตัวนี้ตั้งแต่สิบปีก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งนะี่เยอะมาก ่ให้พวกเราจิตเข้าสู่ทางสายกลางพอจิตเข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็มาหัาาดแยกธาตุแยกขันธ์คือจะมารู้ทุกมารู้รูปรู้นามนั่นเองแยกรูปแยกนามเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนามได้แล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างทางเดินที่ท่านให้ไว้นะ เราเดินตามให้มันถูกเรื่องถูกราวขั้นแรกก็พัฒนาคุณภาพของจิตให้พร้อมสั ก, ก่อนนะเวลาที่เราจะทําวิปัสสนาเนี่ยเราต้องใช้สมาธิสองอย่างนะมนสมาธิทั้งสองอย่างมีประโยชน์ทั้งคู่เวลาเราจะเดินปัญญาเราใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นเรียกว่ารักนูปนิชานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตเป็นแค่คนดู รู้เนือรู้ตัวอยู่เดินปัญญาไปมากนั้นเหนื่อยแล้วก็เข้าพักส่วนใหญ่ก็ต้องพักในอารมณ์อนุปนิชันให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพอจิตได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็ปรับจิตนิดหนึ่งให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาวิธีปรับจิตให้เป็นผู้รู้ก็รู้ทันมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์ จิตจะถอนตัวจากอารมณ์ขึ้นมาเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้แล้วก็ดูธาตุดูขันมันทํางานเห็นกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตเป็นคนรู้เห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนรู้เห็นกุศลเห็นลบโกรดหลงเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนรู้เห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนรู้ จิตม่เกิดทีละดวงในขณะจิตไปดูรูปนะก็จะไม่มีจิตรู้ในขณะจิตไปฟังเสียงก็ไม่มีจิตรู้นะจิตรู้เป็นจิตที่เกิดขึ้นทางใจเกิดสลับกันไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเวลาหลงก็ออกไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกเลนส์กายนะหรือหลงไปคิดนึกทางใจก็มีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้นี้หลงไป ถ้าค่อยฝึกแล้วก็เห็นว่าจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่จิตเที่ย <bege> งร่างกายก็เกิดดับร่างกายก็ไม่เที่ยงเดยวหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี 000, <ansa key hole> ful, ๋ยวเดินเดี tough, like <comin. S 2> ๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนความสุขความทุกข์เวทนาก็ไม่เที่ยงสุขได้ก็หายได้ทุกข์ได้ก็หายได้เฉยเฉยได้ก็หายได้กุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงนะมีศรัทธาได้ก็เสื่อมศรัทธาได้นะ มีสติได้สติเขาหายได้กุศลก็ไม่เที่ยงมีสมาธิที่ถูกต้องได้เขากลายเป็นมิจฉาสมาธิได้กุศลไม่เป็นกุศลแลสภาวะธรรมบางอย่างนะที่ประกอบจิตเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลล้วนๆอย่าสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลล้วน บางอย่างเกิดร่วมกับจิต ท, ที่อกุศลก็ได้คือสมาธิสมาธิมันมีหลายอย่างมากเลยสมาธิอย่างเร็วก็เกิดกับจิต ท, ที่อคูส น, นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องซับซ้อนมากเลยนะน้องเรียนฝึกปฏิบัติเล้วรู้ทันจิตจิตพลิกไปอย่างนี้เข้าไปพักผ่อนจิตพลิกไปอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิหลงแล้วขาสติแล้วลืมเนื้อลืมตัวแล้วสบายอย่างเดียวแต่งโงซ่ซึมไป หรืเครียดไปมิจฉาสมาธิจิตแบบนี้นะสมาธิแบบนี้ใช้เดินปัญญาจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเราต้องเรียนให้มากนะเรื่องจิตสิกขาเนี่ยบทเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยมันมาก่อนบทเรียนเรื่องปัญญาสิกขาบางคนไม่เคยเรียนเรื่องจิตเลยอยู่ๆก็โดดไปเจริญปัญญา ดูฟองดูยุบดูโน่นดู น, น, ดนี้ไม่เป็นหรอกขยับมือแล้วเพ่งอยู่ที่มือจะเกิดปัญญาไ ม, ไม่เกิดหรอกเป็นสมาธิชนิดเพ่งจิตเป็นแนบอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องจิตเป็นแนบอยู่กับลมหายใจไม่เกิดปัญญาหรอกอที่หลวงพ่อสอนนะจำชี้จำชัยพวกเรามากเลยให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานขึ้นมา พอรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็เขี่ยวเขียนต่อไปอีกนะให้แยกธาตุแยกขันยแยกธาตุแยกขันได้อย่าไปเพ่งธาตุเพ่งขันอีกให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งอย่างแยกรูปออกมาได้แล้วไปเพ่งรูปอยู่ก็เป็นสมถะอีกแยกจิตออกมาได้แล้วไปเพ่งจิตไว้ก็เป็นสมถะแยกความสุขความทุกข์เราไปเพ่งอยู่ที่ตัวความสุขเพ่งอยู่ที่ตัวความทุกข์ก็เป็นสมถะอีกจิตต้องเป็นคนดูสบายสบาย ดูธาตุดูขันมันทํางานไปเห็นร่างกายมันทํางานจิตเป็นคนดูสบายๆเห็นเวทนาความสุขความทุกข์เกิดดับไปจิตเป็นคนดูสบายๆเห็นกุศลอกุศล sin, เกิดดับไปจิตเป็นคนดูสบายๆเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหน <cond u> ั <cond> ้นจิตที่ 6, เป็นผู้รู้ก็เป็นผู้รู้สบายๆไม่เข้าไปแทรกแซง สุขก็ได้นะทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้ในขั้นของการเดินปัญญาแต่ว่าไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาเพราะเรามีศีลเป็นรั้วกั้นไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นแต่ทางใจนี่ปล่อยให้มันทำงานไปอย่านงะถ้าใจมันจะนินทาพระพุทธเจ้านินทาพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยมันนินทาของมันเองเป็นกรรมเล็กน้อยนะเนีกก้อกะตัดตากรรม ถ้าไม่มีกรรมตัวอื่นให้ผลแล้วพวกนี้ถึงจะให้ผลแต่ตรงที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันไปว่าพระเขาแล้วตัวนี้เป็นกุศลใหญ่นะใครได้อาุศลเล็กๆนะได้กุศลโตๆไม่ต้องกลัวหรอกมีกุศลโตๆอยู่แล้วก็มันต้องให้ผลก่อนกตาตา ก, กรรมจะให้ผลแต่เมื่อไม่มีตัวอื่นให้ผลแล้วในตำราเราก็มนะีเรื่องพระองค์หนึ่ง ท่านนั่งเย็บจีบอ่อนใช้เข็มเย็บไม่ได้ใช้จักรกเย็บเย็บนะมองไม่เห็นน่ะมันมีตัวเรนตัวไหลอะไรเล็กๆอยู่ในผ้าไม่เห็นนะเข็มไปแทงถูกมันตายท่านไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่ไปเห็นมันตายไปแล้วเนี่ยไม่มีเจตนาจะเอาเข็มไปแทงมันมนี่เป็นกรรมเล็กน้อยท่านก็อยู่มาจนแก่นะแล้วท่านก็ไม่มีกรรมตัวอื่นจะให้ผลท่านนะวันหนึ่งท่านเดินไปในป่า เห็นในพลานนะถือหอกมาไอตัวอะไรตัวไรนั่นแหละไปเกิดเป็นในพรานมนะันถือหอกเดินมานะ<ล>พระเห็นรู้สึกหวาดเสียวโอ้เดี๋ยวมันทิ่มเอาหลบดีกว่านะหลบไปอยู่ในพุ่มไม้ไอในพรานมันเดินมาเอ๊ะเมื่อกี้เห็นพระพระหายไปไหนแล้สงสัยพระกลัวว่าเราถือห อ, อกเลยเอาห อ, อกเสียบเข้าไปในพุ่มไม้นะโยนห อ, อกทิ้งเหรอไม่เจตนาแล้วเนี้ยกรรมเล็กน้อยเนาะ ให้ผลเล็กๆน้อยๆไม่มีเจตนาแต่มันไม่มีตัวอื่นให้ผลตัวนี้ถึงจะให้น้อยไหมไม่น้อยเลยเหรอุตส <c oughs> ัสสภพูดเพื่อให้เห็นว่านี่เป็นกรรมเล็กน้อยนะถ้ากรรมหนักๆ ห, หนักกว่านี้นะ <c oughs> กรรมหนักๆนี <c oughs> ่เราปล่อยให้จิตทํางานนะ <c oughs> บางคนก็บนโอ้หมู่นี้ทําไมจิตมันมันมวจังจิตมัวเราไม่ชอบ จริงจิตมมหรือจิตสว่างนะสอนธรรมะเราเท่าๆกันจิตโวก็สอนไตรลักษณ์จิตสว่างก็สอนไตรลักษณ์นะจิตดีก็สอนไตรลักษณ์จิตชั่วก็สอนไตรลักษณ์งั้นทางจิตเนี่ยจะไปฝืนมันนะปล่อยให้มันทํางานนะเรามีสติรู้ไปเรื่อยเห็นความเป็นไตรลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันเรื่อยๆไปดูปสบายๆดูไปเล่นๆนะเห็นความเปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่คนไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้พอนภาวาไม่ถูกก็จะไปตามสัญชาตญาณอย่างพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสัญชาตญาณก็คือไปนั่งสมาธิที่ว่านั่งสมาธิคือปฏิบัตินั่งก็ไม่รู้ว่าสมาธิมีทั้งหลายชนิดนั่งเคร่งเครียดก็เป็นมิจฉาสมาธินั่งขาดสติเคลบเคริมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวก็มิจฉาสมาธิ นั่งแล้วสงบสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในอารมณ์เดียวนะสบายอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนนั่งแล้วจิตถอนตัวออกจากปรากฏการทั้งหลายขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบนันี่เป็นสมาธิใช้เดินปัญญานะบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทำสมาธิเมื่อก่อนตอนสอนเรื่องจิตศกขาใหม่ๆเนะคนจำนวนมากที่มาหาหลวงพ่อนะ ฝึกมิจฉาสมาธิมาไปทำสมาธิผิดมาบอกให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งทาให้มาฝึกสติให้ดีก่อนพวกไม่เข้าใจนะก็บอกหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้ทำสมาธิจริงหลวงพ่อเป็นคนที่สอนเรื่องสมาธิเยอะที่สุดเลยนะสมาธิมีหลายแบบพวกเราต้องจัดเจนเวลาต้องการพักผ่อนให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวสบายมีเทคนิคไม่ใช่เทคนิ ค, คเรียกแทคติก มีกลยุทธ์ก็คือต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขจิตมันถึงยยอมสบายอยู่ในอารมณ์มันนั้นนะงั้นเวลาเราต้องการพักผ่อนนะเราดูตัวเราเองถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับพุโทโธจิตก็ไม่หนีไปที่ไหนเนี่ยถ้าเราเห็นจิตใจมีความสุขนะั้นเราอย่าไปเพ่งมันนะดูสบายๆมีความสุขก็มีเรามีความสุขเพราะกุศล น, นะ ได้ฟังธรรมแล้วมีความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลดูปุ๊บไม่จำเป็นต้องหายไปแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคาดูปั๊บจะขาดเลยเราเป็นแค่คนดูเมื่อกี้จิตมีความสุขตอนนี้จิตแั่นิ่งๆเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรก็รู้ถ้าเพ่งมากๆมันก็ทุกข์ขึ้นมาก็รู้อีกจิตดีจิตร้าย จิตสว่างจิตมืดจิตหยาบจิตละเอียดเท่าๆกันหมดไม่ใช่ปฏิบัติเอาเดียวสุขเอาสงบหรอกในขั้นนี้นะในขั้นเดินปัญญาไม่ได้มุ่งเอาเดียวสุขเอาสงบแต่มุ่งให้เห็นความจริงเราต้องการสมาัติทิฐิไม่ได้ต้องการสุขไม่ต้องการสงบไม่ได้ต้องการดีต้องการสมาัติทิฐิเห็นถูกสัมาัติทิิเห็นถูกถถก็คือเห็น กายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็ น, นี้แล้วก็ค่อยรู้ไปสบายๆนะใ ค, ใครถนัดดูจิตก็ดูไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆหรือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนไหนขี้โมโหก็เห็นเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายแค่นั้นก็พอละเรียนตัวไหนมีมากๆเอาตัวนั้นเป็นหลัก เป็นคนขี้โมโหก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเป็นคนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยก็ดูจิตโลภกับจิตไม่โลภเป็นคนฟุ้งซ่านก็ดูจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านพอรู้ทันมันก็ไม่ฟุ้งซ่านดูคู่เดียวก็พอที่เป็นหลักไว้อันอื่นเป็นของแถมอย่างนี้เรียกว่าจิตในจิตเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจจิตทั้งหมด อยางเราเห็นในจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยเราสั่งไม่ได้จิตจะโกรธก็โกรธได้เองจิตจะไม่โกรธนะมันก็ไม่โกรธของมันได้เองมีสติรู้ทันมันก็เลิกโกรธนี่เห็นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธนะแสดงอนัตตาเนี่ยพอเห็นมากๆนะต่อไปมันปิ้งขึ้นมามันรู้เลยจิตทุกชนิดนะ่ะเป็นอนัตตาเนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตในจิตกายในกายก็เช่นเห็นร่างกายหายใจออกมันไม่ใช่เราหรอก ตัวที่หายใจออกนะั้นเป็นก้อนาธาตุเป็นพโพรงนะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงมีร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวมีสูบลมเข้าไปเดี๋ยวลมไหลออกไปอยู่ไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะรู้สึกอยู่เห็นอยู่รู้สึกอยู่เนี่ยพอเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราต่อไปปัญญาเป็นปิ้งนะร่างกายทั้งหมดเลยไม่ใช่เราง่า ย, ายๆแค่นี้ บางคนสงสัยหลวงพ่อสอนง่ายเกินไปหรือเปล่าสมัยพุทธการเขาสอนง่ายกว่านี้อีกนะเขาฟังเทศกันจากผู้เจ้าจากพระอรหันตสาวกรุ่นก่อนบารมีเขาเยอะนะเขาฟังไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเรื่องง่ายๆนั่นเลยธรรมะเป็นของง่ายๆนะตรงไปตรงมาเปิดเผยเขาสอนง่ายว่าง่ายเกินไปไม่น่าเชื่อถือ พอสาละเอียดยิบลงมานะายากเกินไปท้อแท้จริงๆธรรมะไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าเราจะปรับพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพพอที่จะเดินวิปัสสนาหรือเปล่าท่านนั่นเองมันยากอยู่จุดแรกนี่ท่านนั่นเองพจิตของเราถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต่อไปไม่ยากแนละ้วจะเห็นธาตุเห็นขันแตกตัวออกไปแล้วทางานแสดงใจรักนะไม่ยากอะไรแนละ้ว ตรงที่มันสามารถเห็นขันแสดงไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาจะดูแล้วนะวมันเห็นเองนะเราไปไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะทําอย่างเดียวคือทําสมถะเป็นช่วงๆพักผ่อนเดินปัญญารวดไปนะจิตจะเหนื่อยไม่มีแรงแล้วทําความสงบแล้วทําความสงบเสร็จแล้วนะพักผ่อนพอสมควรนะจิมยิ่ขึ้นมาเดินปัญญาของมันต่อเราไม่ต้องทําอะไรจิตมันทําของมันเอง เรามีแค <them. S 1> bon e ่น้อมมันเข้าหาความสงบเป็นคลาล์ๆเท่านั้นเองเพื่อให้มันมีแรงมันสดชื่นสุดท้ายไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ทําอะไรเลยสติมันทํางานเองสมาธิปัญญามทํางานเองจิตมันทํางานเองธาตุขันมันทํางานของมันเองร่างกายเราก็เห็นร่างกายทํางานของมันเองความสุขความทุกข์มันก็ทํางานของมันเองกิเลสมันก็ทํางานของมันเองจิตมันก็ทํางานของมันเองนะ ดูไปด้วยไม่มีเราเลยต่อไปปัญญามันแทงทะลุทีเดียวไม่มีเราเหลืออยู่เลยเอาไปทันข้าวไป